นั้นคําว่าเป็นอนัตตาว่าสิ่งเหล่านี้มันมันมีไหมสีเนี่ยมีไหมมีแต่มันศูนย์คําว่าศูนย์ในที่นี้แปลว่ามันไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งไปอยู่ในนั้นเลยอะในสีอันนั้นเลยนะเสร็จแล้วมันก็เผาไหมมันเหมือนกับเรามีอะไรมาสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็เผาไหมหมดไปอะ่ะถามว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไหมไอ้เผาถูกเผาแล้วก็หมดไปเลยเนี่ยแต่ถ้าเข้าใจว่าไม่มีอะไรเลยไม่แน่นะอาจจะเป็นอุเฉททิฏฐิถ้าเข้าใจว่ามันถาวรก็เป็น เป็นสัสตตตทิฏฐิแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีก็เพราะปัจจัยมีแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่มีเจ้าของอยู่ในนั้นในตัวเขาเองเนี่ยไม่มีเจ้าของอเจ้าของในลักษณะลักษณะอยู่ในนั้นเลยนะแต่ว่าไอ้ตันหาเข้าไปยึดเนี่ยมีอยู่ตัวตันหาที่เข้าไปยินดีเนี่ยมีอยู่แต่ในตัวของตาในตัวของสีเองเนี่ยไม่มีเจ้าของแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ควรจะทําความหรือทําตามชอบใจได้ ไปทําตามชอบใจว่าโอ้โหสีของฉันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีชาติชาติเราได้มาแล้วใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ต้องชาราแน่นอนแล้วก็พอชาราเกิดมรณะก็ต่อไปแล้วก็การที่จริงสีของผิวของเราเนี่ยมันลอกตลอดนะถ้าเราสังเกตเนะมันลอกตลอดเลยนะผิวหนังเนี่ยตายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆมันลอกตลอดแต่มันไม่ลอกคราบชัดๆัดเหมือนกับพวก กระปอมพวกงูพวกอะไรยังอื่นน่ยนะมนุษย์เนี่ยมันก็ชั ก, เ, กเรียกว่าอาบชำระไปมันก็ลอกไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วไอ้สิ่งที่สําคัญที่สุดชีรณะเตโชมันก็เผาไปเรื่อยเหมือนกันความแก่ก็ปรากฏไปเรื่อยเรื่อยเรื่ยต่อไปผู้ใดกล่าวว่าจาักสุวิญญาณเป็นอัตตาคําของผู้นั้นไม่ควรจิตเห็นเนี่ยนะเกิดขึ้นเหมือนกับเหมือนกับอะไรดีจิตเห็น คือมันเกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมอาศัยตากับสีแสงสว่างจิตอันนี้จึงเกิดขึ้นดังั้นจิตอันนี้มันไม่ได้มีอยู่ตลอดเลยนะถ้ามีองค์ประชุมคือตาสีแสงสว่างมณสิการกรรมในอดีตเป็นปจัจจัยจิตเห็นก็ก็เกิดพอมาเกิดอย่างนี้ขึ้นเราจะบอกว่าออืหมันเป็นอัตตาได้ไหมถ้าไม่มีองค์ประชุมอย่างใดอย่างหนึ่งจิตไม่เกิดเลยนะไอจิตเห็นเนี่ยลองไฟดับดูสิมองเห็นไหมไอจิตเห็นแบบสว่างแบบเนี้ยไม่มี ถ้าเป็นอัตรามาเขาว่าฉันจะมองนะคือมันถ้าถ้าเป็นอัตราเนี่ยหมายความว่ามันมืดมันสว่างเห็นเหมือนเดิมหมดเลยมันจะยังไงก็เห็นหมดเลยมันมีอํานาจอยู่ในตัวของมันเองมันสามารถปรับให้รับรู้ได้หมดเลยอ่ะนั่นแหละมันค่มันมีตัวพิเศษชนิดหนึ่งอยู่ในนั้นอ่ะแต่นี้มันไม่ใช่มันเกิดด้วยององค์ประชุมคือข้อสาคัญในชีวิตจําวันเลยเนี่ยเราเห็นอะไรเราไม่เคยนึกถึงเรื่องปัจจัยเหล่านี้เลย เรไม่เคยเลยเขไม่เขาไม่อยู่ในหัวเราเลยไม่เคยเลยว่าอ๋อนี่กรรมส่งผลมานะจึงทําให้เห็นเนียไม่เคยคิดเลยเช่นพานใช่ไหมครับพันก็ความมั่นคงในกรรมมัสกาตาเราไม่มากนักก็แต่ถงว่าจะมีไม่มีก็ก็ช่าหัวมันไม่เกี่ยวจะมีฉันก็เห็นถ้าไม่มีก็เดินไปเปิดไฟถ้าไฟไม่พอก็หาหลอดมาเพิ่มก็คิดอยู่แค่เนี้นะแต่ก็พอรู้ปัจจัยคร่าวๆอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เพียงแต่ว่าไม่เคยมาวิเคราะห์ไม่เคยทำวิจัยเรื่องนี้ ก็เห็นก็บอกว่าเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นคนโน้นเห็นคนนี้เห็นโต้เห็นตัวนี้แต่ไม่เคยคิดถึงว่าจักรกุประสาธาเนี่ยเป็นตัวสําคัญในการเห็นไม่เคยคิดเลยครับก็วันไหนที่ตาพร่าขึ้นไปหาหมอแล้วนั่นแหละจึงค่อยเห็นค่าของจักรกุปภาษาทะนะเริ่มแสบตาเป็นต้นเห็นไม่ค่อยชัดแล้วคิดหาหมอแล้วแสดงว่าตาเราไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วองค์ประกอบของของสิ่งเหล่านี้นะชีวิตของสัตว์ทั่วไปนะ ถึงเขาศึกษาไม่ศึกษาเขาก็เห็นอยู่อย่างนี้ของเขานั่นแหละแต่เขาเหล่านั้นไม่ได้ทําวิจัยในเรื่องราวเหล่านี้ถามว่าประโยชน์ของการทําวิจัยเรื่องนี้เพื่ออะไรอ่นนะนะเพื่ออะไรเรากล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทําใดเราขอตรัสรู้ตามท่านใช่ไหมใช่ครับเพื่ออะไรน่าสนใจครับปัญหานี้ใช่ไหมอเอาให้ลองลองลองคุยทั้งนิ่งเถอะครับเรามาวิเคราะห์วิจัยเงี้ยเพื่ออะไรครับ เราไม่มีข้อวิจารณ์แล้วก็ยู่งเราอยู่ได้อยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วอ่ะใครรู้ไม่รู้ก็มองเห็นอยู่แล้วใช่ไหมหาไม่ดีเดี๋ยวก็ไปหาหมอก็จบกันอ่ะง่ายๆด้วยใช่ไหมทําไมจะต้องมาโอ้โหมันยุ่งยากมันวุ่นวายจังอ่ะเพื่ออะไรอ่าเพื่ออะไรกันนั่นแหละเราเพื่ออะไรนะครับเพื่อเวียนออกเออาคนอื่นเอาหมอเพื่อละเพื่อละเพื่อละตัวไม่รู้เอ้ยนี่เขาทานนะ <จ>เพื่อละไม่รู้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหม <จน S 2> เพื่อเพราะว่าละอวิชามันเขาว่าละความไม่รู้สภาวธรรมเต <จน S 2> ามความเป็นจริงนี้ใช่ไหมละใครคนอื่นหรือครับเพราะคนอื่นอาจารย์บอกว่าเพื่อรู้อริยสัจใช่ไหมไคือ เ, เ, ยยเราเบื้องต้นเลยนะว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมความเป็นพระอรหันต์เนี่ยประเสริฐไหมประเสริฐธรรมะของพระอรหันต์เนี่ยที่เป็นไปเพื่อความเป็นพระอรหันต์ดีไหม ดีผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วได้เป็นพระอารหันดีไหมดีแล้วคําสอนที่ทําให้เป็นพระอารหันอันนั้นนคืออะไรก็คือคําสอนเหล่านี้ใช่ไหมวันกบเมื่อวานลูกสาวบอกโอ้บรรลุตั้งมากมล์มหาสารก็เขาไปเพราะสูตรนี้นะนั่นแหละท้นตรงนี้การวิจัยอันนี้เนี่ยพระอารหันทั้งหลายที่ท่านเป็นาารรพนระอรหันเพราะท่านรู้อริยสัจเมื่อเพราะท่านรู้อริยสัจเหล่านี้เราก็มาศึกษาเรื่องนี้เพื่อให้รู้ อริยสัจตามท่านมีอีกหลายคําตอบครับเอาลองคิดดูเอ า, เอาใครครับอโอเคเอาโอเคเอาเอาใครๆครเพิ่งครับเอาเรศึกษานะธรรมะนะไม่ใช่จอจอจอไปใกล้จะเข้าแล้วนะเอ๊ะมาจากไหนเนี่ยไม่รู้จะไปไหนอ่ะไม่รู้รู้อันนี้มากๆเข้าเพื่ออะไรไม่รู้ตอบอะไรไม่ได้สักอย่างไปอย่างนี้ก็เศร้าเลยเอะต่อไปนะ ผู้ใดกล่าวว่าจักรสูสัมผัสเป็นอัตตานะจักรสูสัมผัสนะทวนอีกครั้งหนึ่งเขาจะเกิดเพราะอะไรนะอาศัยตาสีจกักรคูวิญ ญ, ญาณจึงเกิดจักรคู่สัมผัสใช่ไหมแต่มีผู้ใดกล่าวว่ามีคนใดคนหนึ่งพูดพลาดมาไงไม่รู้บอกว่าจักรสูสัมผัสเ ป, เป็นอัตตาคําของผู้นั้นไม่ควรจักรสูสัมผัสย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อม จากสูสัมผัสนะถ้าจากขูวิญญาณไม่เกิดเนี่ยจากขูสัมผัสเกิดได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะจากขูวิญญาณมีจากขู่สัมผัสจึงมีเพราะมีอารมณ์จึงมีผัสสะเพราะมีตาจึงมีผัสสะเป็นต้นะัถ้าหากว่าปัจจัยเหล่านั้นไม่มีจากขูสัมผัสก็ไม่มีแล้วไอ้ผัสสะตัวนี้มีทั้งความเกิดมีทั้งความเสื่อมกอ็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคําของผู้ที่กล่าวว่า จากสุสัมผัสเป็นอาัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนี้จากสุจึงเป็นอนัตตาที่จักขู่สัมผัสมันเป็นอนัตตาเพราะมันเกิดและมันเสื่อมเพราะฉะนั้นจากสุจึงเป็นอนัตตารูปจึงเป็นอนัตตาจากสุวิญญาณจึงเป็นอนัตตาจากขู่สัมผัสจึงเป็นอนัตตาคือในยุคนี้นั้นเราต้องการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ทสำคัญมาก ว่าตอนหลังนั้นการศึกษาในยุคหลังส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามเราศึกษาในลักษณะไปค่องแวะกับครูอาจารย์ซะส่วนใหญ่โดยที่เราไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้เข้าถึงหลักฐานข้อมูลเลยว่าคําสอนที่ที่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าไว้ยังไงที่เป็นพระพุทธพจน์ในคัมภี์โบราณเนี่ยท่านเรียนกันยังไงพระสมัยนั้นท่านฟังอะไรกันท่านรู้อะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประชาชนในยุคหลังไม่มีโอกาสได้ฟัง ข้อมูลที่ที่ถูกต้องที่ที่ได้รับข้อมูลตรงๆเลยส่วนใหญ่นะเข้าปรุงมาเบ็ดเสร็จแล้วพอเป็นข้อมูลที่ปรุงเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเอียงไปตามคนปรุงเลยคะนี่คนปรุงชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดลงไปทั้งท้งที่อาหารนั้นมันจืดอ่ะก็ใส่เผ็ดจนได้อ่ะพะชอบเผ็ดใช่ไหมคนปรุงอาจจะชอบหวานนะจริงๆอันนั้นแกงจืดแต่ใส่น้ําตาลไว้สักึ่งกิโลอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนปรุงให้ซึ่งในยุคนี้การที่เราศึกษานั้น ขอให้เราเทียบเคียงให้ดีเมื่อเช้านี่ก็อ่านสูตรสูตรหนึ่งเรื อ, รอมหาประเทศสูตรอถ้าหากว่าผู้ใดกล่าวว่าข้าพเจ้าเนี่ยรับคําสอนอันนี้เนี่ยรับธรรมะหมวดนี้มาจากพระพุทธเจ้ามากล่าวให้เราฟังนะเธออย่าพึ่งคัดค้านอย่าพิ่งปฏิเสธแล้วก็อย่าพึ่งเข้าไปยินดีให้เรียนให้ฟังทั้งพยัญชนะและอัถะ แล้วมาเทียบเคียงกับสูตรกับอภิธรรมเทียบเคียงกับสูตรกับวินัยก็คือสรุปก็คือไปเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกดูก่อนถ้าไม่เข้ากันทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายให้ทิ้งไปเลยถ้าเข้ากันก็สรงจําเอาไว้ดีแล้วปฏิบัติตามนั่นแหละเพรา ะ, ะจะต้องเทียบเคียงนะไม่ใช่โอ้โหรับไปแล้วก็ปวดพาดเอาไปหมดเลยถ้าเอาไปแล้วเนี่ยถ้ามันผิดแล้วโยอมมันแก้ลําบากและส่วนใหญ่ก็แก้ไม่ได้เลยพอไปตกลุมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ลําบาก ทันหลุมคือความเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่แก้ยากที่สุดพระพุทธเจ้าบอกว่ามูสัตว์เนี่ยรกชัดด้วยอํานาจของทิฐิมันจึงยากยากแน่นอนนอกจากฟังในลักษณะนี้แล้วก็ค่อยๆอดทนที่จะศึกษาต่อไปแล้วก็ให้มองในการศึกษาแบบนี้การศึกษาแต่ละครั้งแต่ละขณะก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยแล้วก็เป็นกุศลที่เป็นไปเพื่อความเจริญด้วยก็ค่อยๆศึกษากันต่อไปเนาะนั่นแหละถ้าไม่ใจร้อนจนเกินไปเราก็สามารถที่จะเข้าใจพระธรรมคําสอน ในชีวิตได้อย่างดีเด็กไหมครับเจ่ะถ้าหากว่าเราหยุดแค่ภาษาได้เนี่ยแสดงว่าต้องเกี่ยวกับสากายาทิถีแล้วครับต้องมีตัวมีตนที่จะไปทําให้มันหยุดได้หรือให้มีหรือไม่มีถูกไหมครับมันจะเป็นอนัจฉริได้อย่างไรเจนทาพและอีกอย่างหนึ่งถึงสากายาทิถีถามทําได้ไหมละ่ะเอานะเอาด้วยอํานาจทิฐีอย่างใดอย่างหนึ่งเลยบอกฉันจะรู้แค่ภาษานะฉันไม่รู้ถึงเวทนาทั้งนั้นนะถามว่าทําได้ไหมล่ะ มันเป็นปัจจัยอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมมันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเนี่ยจะห้ามไม่ห้ามจะไปไขลานกดปุ่มเอาไว้ก็ไม่มีทางถ้าไม่ให้มีภาษาเนี่ยให้หยุดอยู่แค่ภาษาทํำยังไงได้ไหมถ้าถ้าไม่อยากเห็นให้หลับตาถ้ามันก็ไม่มีภาษาแค่นั้นเองนั่นแหละถ้าอยากให้ไม่มีภาษาก็คือหนึ่งไม่มีตาสองไม่มีสีสามไม่มีจักรคูวิญญาณภาษาก็ไม่มีถ้าหากว่าไม่ให้มีเวทนาเลยนะไม่อยาก ก็คือหนึ่งไม่มีตาสองไม่มีสีสามไม่มีจกักรคูวิญญาณสี่ไม่มีผัสสะและเวทนาไม่มีเองแต่ถ้ามีนะผัสสะเวทนาวิญญาณเป็นสัมปยุตตปัจจัยพร้อมกันเลยอ่ะเกิดพร้อมกันะเมื่อมันเกิดพร้อมกันแล้วจิตนะนิยามของจิตแล้วปุ๊บจกักรคูวิญญาณเกิดขึ้นนิยามของเขาต้องสัมปติชนะจิตสันตีรณะจิตและวธฏนะจิต ถ้าจิตหยุดอยู่แค่โวธดทพนจิตเรียกว่าโมคะวาระโมคะวาระแต่บางคนเนี่ยไม่อยู่แค่โมคะนะมันไปอยู่ที่ชาวนาวาระบางคนเนี่ยเลยไปจนถึงตถารรมนาวาระมันเลยไปอีกนะเป็นนิยามของจิตมันจะไปหยุดอยู่แค่จักคูวิญญาณไม่ได้จะหยุดอยู่แค่สัมปมมติชนะก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่สันติรณะก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่โวอดทพนะได้ไหมถ้าที่มันหยุดเนี่ยไม่ใช่ ไ, ไม่ใช่ว่า ตั้งใจให้มันหยุดนะอารมณ์นั้นมันหมดไปก่อนมันเลยต้องหยุดโดยอัตโนมัติเพราะอารมณ์นั้นมันหมดนั่นแหล ะ, ะผู้ใดกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรเวทนาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นก็ต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอั ต, ตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการชนีนั้นจักูุจึงเป็นอนัตตารูปจึงเป็นอนัตตาจักูุวิญญาณจึงเป็นอนัตตาจักูุสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาอันนั้นเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วแต่รูปารมณ์นะถ้าเวทนาทางตานะถ้ารูปารมณ์นั้นเป็นรูปารมณ์ที่ดีเวทนาสข้อเป็นเป็นสุขเวทนา ถ้ารูปารมณ์นั้นเป็นรูปารมณ์ที่ไม่ดีเวทนานั้นสงเคราะห์เป็นทุกขเวทนาถ้าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ธรรมดาธรรมดาสงเคราะห์เป็นอุเบกขาเวทนาเพราะฉะั้นเวทนาทเวทนาเนี่ยมีสุขทุกขและอุเบกขาเวทนาเหล่านี้แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมเอางี้นะถ้าหากว่าเราไปเห็นคนที่เราโอ้โหคิดถึงเขามากเลยอยากเห็นมาตั้งนานแล้วถ้าเห็นตุ๊บเนี่ยจะยินดีทันทีเลย แต่ถ้าหากว่าไปเห็นคนที่ไม่อยากเห็นเลยนะอุตสาหลบมาตั้ง7จังหวัดแล้วมึงมาเจออีกจนได้เลยไอ้อย่างนี้เนี่ยทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นในขณะนั้นหรือถ้าเห็นคนที่เราไม่รู้จักเลยก็เป็นอุเบกขาเวทนานี่ยแหละที่ที่เราไม่สนใจเลยนะไม่ไม่ไม่ได้อยากคิดถึงไม่อยากพูดถึงไม่อยากอะไรทั้งนั้นลักษณะนี้แต่เห็นเป็นอุเบขาเวทนาทั้นเวทนาเหล่านี้เป็นแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ นั้นพระ อ, องค์จึงกล่าวว่าเวทนาในปฏิจจสมุปบาทนี่มีอะไรเป็นอาการปรากฏมีสุขมีทุกข์เป็นอาการปรากฏาถ้าหากว่าอารมณ์นั้นเป็นอิถารมก็คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เป็นสุขถ้าเป็นอนิธารมก็เป็นสงเคราะห์เป็นทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เวทนาที่นี้เป็นอุเบกขาถ้าเกือบทั้งหมดเลยแต่ก็สงเคราะห์ตามแต่ตามแต่อารมณ์เอางี้นะถ้าหากว่าเห็นคนที่เราชอบใจปุ๊บเนี่ยโ อ, อ้โหเราว่าสุข ถ้าเห็นคนที่เรารักมากเกิดตายยังไงถามว่าทุกข์ไหมมันทุกข์เพราะมันเป็นอุปนิสัยต่อไปเอาไว้ก่อนนะอุปนิสัยต่ออะไรเดี๋ยวต่อไปอีกหลันถ้าหากว่าเรารู้เรื่องเวทนาดีเนี่ยเราจะรู้ว่าโอเวทนานี่มีเงื่อนไขเวทนาทางตาเงื่อนไขของเขาคือตาเงื่อนไขคืออารมณ์คือสีเงื่อนไขคือจกักขูวิญญาณเงื่อนไขคือผัสสะเวทนาเป็นไปตามนั้นนะ เบื้องต้นในความรู้อันนี้ให้เป็นยาตะปริญญาศึกษาความเป็นเหตุเป็นผลเป็นเป็นปัจจัยของเขาเมื่อเข้าใจอย่างนี้มากๆขึ้นจะรู้เรื่องความเกิดและความเสื่อมดีเลยใช่ไหเราจะเริ่มเก็บสติที่ข้อมูลเพราะสิ่งเหล่านี้จริงไหมจริงถ้าจริงนี่แปลเป็นบาลีว่าสัจจะความจริงนี่แปลเป็นบาลีนะแปลไทยเป็นบาลีว่าสัจจะสัจจะอันนี้เป็นชนิดทุกขสัจจะ ทุกขัสสะจันี้พระองค์สอนกิจไว้ว่ากิจของทุกขัสสะคือปริญญยากิจปริญญยะเนี่ยแปลว่าปริบวกเปรเนี่ยแปลว่ารอบหรือทั่วยายะเนี่ยควรรู้ยายะเนี่ยแปลว่าควรรู้ควรรู้ทั่วกิจของเขาควรรู้ทั่วด้วยไปเบื้องต้นก็ยาตะปริญญารู้ในลักษณะของสิ่งเหล่านี้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลพร้อมทั้งปัจจัยอย่างละเอียดสองตีระณะปริญญาการพิจารณา ความเกิดความเสื่อมอัศาธาอาทีนวะเรื่องโทษความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นเหมือนฝีเป็นเหมือนลูกศอนเป็นต้นการวิจัยลักษณะนี้เป็นตีรณะปริญญาเมื่อเห็นความจริงเหล่านี้มากๆขึ้นนะถ้าเห็นเป็นอนัตตาบ่อยๆด้วยอนัตตานุปัสนาจะละอัตตะสัญญาได้จละอัตตะสัญญาเมื่อเข้าไปเห็นลักษณะนี้บ่อยๆมากๆในขณะที่ประจักษ์ความจริงอันนี้ขณะนั้นละอัตตะสัญญาด้วยอํานาจ แต่ทางค่าปะหานพอกพูนไอแต่ทางค่าปะหานนี่มากๆจนละคลายความกำหนัดได้เป็นสมุดเฉทฐะปะหานพูดถึงว่าเวทนานี่นะฮ ะ, ะถ้าเราไม่มาวิเคราะห์วิจัยอย่างนี้นี่นะครับเราไม่มาวิเคราะห์วิจัยว่ามันมันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างนี้นะครับแล้วเราเนี่ยจะเกิดความผูกยังไงเพราะว่าเราเราเลือกเวทนาไม่ได้เราเลือก รูปดีๆตลอดเวลาไม่ได้ใช่ไหมครับเจนพานเลือกไม่ได้เราเลือกรูปดีๆตลอ ด, ลอดเวลาไม่ได้เลยถ้าหากว่าอาจจะมีประโยคะบางส่วนนะถ้าถ้าคนที่มีบุญมากอย่างเทวดาอย่างเงี้ยก็จะอยู่กับอารมณ์ที่ดีแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมันทั้งผลที่รับทั้งกรรมดำทั้งกรรมขาวเจอทั้งคนงามและไม่งามจะไปให้เวทนามันเหมือนกันตลอดได้ไหมอันเวทนาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามอํานาจของอารมณ์ ด้าพระองค์จึงแสดงกับทีฆ่าหขะปริภาชกใช่ไหมที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอักทิเวชนะเวทนามีสทั้งที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาถ้าหากว่าบุคคลใดเสวยสุขเวทนาขณะนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอุเบกขาเวทนาแสดงว่าอารมณ์นนั้นอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแบบนี้ถ้าขณะใ ด, ดบุคคลเสวยทุกขเวทนาขณะนั้นไม่ได้เสวย สุขเวทนาไม่ได้เสวยอุเบกขาเวทนาถ้าขณะที่เสวยอุเบกขาเวทนาขณะนั้นไม่เสวยสุขเวทนาและทุกขเวทนาเพราะเวทนาจะเกิดทีละอย่างทีละอย่างตามแต่อารมณ์ในขณะนั้นๆถ้าหากว่าคนสังเกตบ่อยนะถ้าเราสังเกตเรื่องเวทนานะถ้าคุยกับคนนี้ปุ๊บถ้าเราคุยเรื่องนี้ปั๊บนะเขาจะยิ้มแฉ่งนะเสร็จแล้วเราลองเลี่ยงไปคุยอีกเรื่องหนึ่งนะหน้างแต่แล้วนะพอไปคุยอีกเรื่องหนึ่งเขากำลังทําสีหน้าโกรธให้เห็นเลย มันแล้วแต่อารมณ์ในขณะนั้นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเข้าในขณะนั้นนั้นมากคือบุคคลสองคนนะบุคคลคนที่หนึ่งเนี่ยรู้เรื่องเหตุปัจจัยของเวทนาอย่างดีเลยนะครับกับอีกคนหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยนี่นะครับเมื่อเขาประสบกับอนิถาลมก็ดีอิถาลมก็ดีเนี่ยต่างกันมากไหมครับก็ผู้ที่ได้สดับส่วนใหญ่แล้วชวนะของเขาก็จะเป็นกุศลเพราะ มีการพิจารณาอากุศลก็จะไม่ไม่เกิดมากนะักแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําำคำสอนส่วนใหญ่ก็เอางี้นะคนไม่ศึกษาคําสอนก็เหมือนคนที่เราเห็นทั่วไปอะ่ะเราลองศึกษาธรรมะให้มากๆแล้วเราจะเหมือนทั่วไปไหมชีวิตในอดีตนะถ้าเราศึกษาธรรมะแบบนี้มากๆนะแล้วเทียบเคียงชีวิตของเราปีต่อปีเลยปีที่แล้วเราไปเห็นเรื่องเดียวเนี้ยเรามีความรู้สึกยังไงทําไมเราจึงรู้สึกแบบนั้น มาปีนี้เราไปเห็นอันเดียวกันนั่นแหละแต่ทำไมความรู้สึกเราเปลี่ยนไปทำไมจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะอะไระพวกนี้ต้องสอบสวนได้นะถ้าสอบสวนไม่ได้วิชาปัจจัยเนี่ย โ, โหโจบเลยจบกันเลยวิชาปัจจัยใช้ไม่ได้เลยฟังเอาบุญไปแล้วได้บุญแล้ว <c oughs> ก็ยางดีอ่ะ <c oughs> ใช้ไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรสังสมอุปนิสัยไปพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ม า, มาก็อาจจะฟังง่ายขึ้นผู้ใดกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตา คำของผู้นั้นไม่ควรตันหาย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมก็สิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตันหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรไอความยินดีซึ่งมีเวทนาเป็นปัจจัยเนี่ยนะมันถ้าไม่มีเวทนาเหล่านั้นเนี่ยนะ ความติดใจความเพลิดเพลินมันไม่มีนะแต่ความเพลิดเพลินอันนั้นเนี่ยมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นตาจึงเป็นอนัตตาจากสูนะเป็นอนัตตารูปจึงเป็นอนัตตาจากสูวิญญาณจึงเป็นอนัตตาจากสูสัมผัสจึงเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นอนัตตาตัณหาจึงเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาของเขาเป็นลักษณะนี้เพราะเขาเกิดแล้วก็เสื่อมไปนะ ไม่ทราบว่าผู้ใดเคยเอาไปตรึกบ้างหรื อ, อยังตามสูตรเนี่ยนั่งคิดจะงี้นะคล้ายๆกับเราคิดถึงงานอะ่ะเราเคยนั่งคิดถึงงานอย่างใดอย่างหนึ่งคิดลักษณะนี้แต่เอาพระสูตรเนี่ยมาคิดตามแล้วก็สังเกตในชีวิตไปด้วยคิดตามไปด้วยในลักษณะนี้เรายังไงเราก็ากระพริบตาอยู่แล้วใช่ไหมนั่งกระพริบตาเอาก็เอาสูตรเนี่ยลงมาส่งกระพริ บ, บตาแล้วก็คิดสูตรนี้ไปด้วยในทางตาทีนี้ทางหูก็ใช้ลักษณะเดียวกันทางจมูก หายใจเข้าปารอบลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเอาสูตรนี้สงเคระลงไปขณะที่หายใจเข้าใช่ไหมหรื อ, อนั่งจับอันใดอันหนึ่งขึ้นมาจับปับ๊บพอสงข้อสูตรนี้ลงในขณะที่จับเลยใช่ไหมก้าว <9 S 2> เดินก้าวเท้าเหยียบพื้นก็สงข้อสูตรนี้ขณะที่เดินเนี่ยสงเคราะลงไปนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเอาสูตรนี้สงเคราะลงไปน่าจะพอเจริญได้นะถ้าจําได้แต่ถ้าจําไม่ได้ก็อย่างว่านะก็ได้บุญเหมือนกันได้ฟังลนะเอาทีนี้เลยไปทางทวาวร หูจมูกลิ้นกายก็นัยยะเดียวกันนะใจก็เหมือนกันก็นัยยะเดียวกันก็คือใครที่กล่าวว่าเป็นอัตตาคําของคนนั้นไม่ควรทั้งนั้นแหละเพราะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจยไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพธาพะและธรรมรม์ไม่ว่าจะเป็นจักรคู ว, วิญ ญ, ญาณโสตาวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณมนโนวิญญาณไม่ว่าจะเป็นจักรคูส่สัมผัสโสตาสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัส กายสัมผัสและมโนสัมผัสก็เกิดขึ้นและเสื่อมไปเหมือนกันหรือว่าเวทนาที่เกิดทางจากสุเวทนาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเวทนาเหล่านั้นก็เกิดและก็เสื่อมไปงั้นใครจะไปกล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอัตตก็ไม่ควรแม้แต่ความยินดีความเพลิดเพลินที่อาศัยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจความเพลิดเพลินเหล่านั้นก็มีความเกิดและความเสื่อม ผู้ใดจะไปกล่าวว่าตันหาคือความเพลิดเพลินเป็นต้นนั้นเป็นอาตาคำเหล่านั้นจึงไม่ควรทีนี้ถ้าหากว่าปุตุชนที่ไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะมาดูว่าในข้อแปดร้อยยี่สิบนะหน้าสี่ร้อยเก้าสิบสองดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ปฏิปทาอันให้ถึงความตั้งขึ้นแห่งส ก, กายะ ดังต่อไปนี้แหละเนี่ยนะสกายะเนี่ยหรือทิฏฐิเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้นะลักษณะของสกายะเกิดขึ้นว่าบุคคลเล็งเห็นจกักรสุว่านั่นของเราอ่า น, นะกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นเลยยินดีในจักรสุวด้วยอํานาจของตันหาน ะ, ะคําว่านั่นของเราเป็นชื่อของตันหาที่เข้าไปยินดีในจกักรสุคนที่ยินดีในจกักรสุเนี่ยนะลักษณะอ้อยากให้ตาของเราเป็นอย่างนี้เรื่อยไปหรือว่า ในพบต่อไปขอให้เรามีตาแบบนี้อีกหรือขอให้เรามีตาที่ดีกว่านี้อีกลักษณะนี้เรียกว่าตัญหาที่พุทธพจน์ใช้คำว่านั่นของเร า, ราเนั่นเราหรือว่าเราเป็นนั่นนี่เป็นชื่อของมานะนะคำว่านั่นเราตรงนั้นเนี่ยแปลว่ามานะนะมานะไปยินดีว่าโอ้โหตาเรานะเมื่อเทียบกับตาคนอื่นนี่เราเห็นดีกว่าเขาอะ เขารักษาไม่เป็นเรารักษาเป็นเราตาอะไรดีกว่าเขาอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกันนี่ลักษณะของมานะที่แปลว่านั่นเราเตรงนี้นะถ้าศึกษาอัจฉริยจะรู้ว่าคําเหล่านี้ท่านให้อธิคำอธิบายอย่างเช่นจะจะให้ดูว่า เ, เทียตมาว่าเอามายังไงจะบอกอัจฉริยให้ดูว่าคํานี้มาจากตรงไหนบาลีเนี่ยมาจากว่าเ อ, เ, ออเอตังมามะเนี่ยนั่นของเรา เอโซหามัสเมเราเป็นนั่นนะ <laughs> บาลีว่าเอโซหามัสเมนะแล้วจะเห็นว่าในคำว่านั่นของเราเป็นต้นนะนะบาลีเมื่อกี้เนี่ยนั่นของเราเพิ่งทราบความถือมั่นด้วยอนาะจตันหามานะและทิฏฐิใช้คำว่าเป็นต้นนะนั่นของเราเป็นต้นก็แสดงว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราอะ่ะตรงนี้เนี่ยมาจากคำว่าอัตถกถาท่านอธิบายเป็น ต, ตันหามานะและทิฏฐินั่นแหละ เพรนั้นผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกนะถ้าถ้าใช้อัตตากถาเป็นเนี่ยจะเบามากเลยเพราะธรรมะของพระผู้มีมันสัมพันธ์กันหมดนะถ้าเราเข้าใจจุดใดจุดหนึ่งผิดปั๊บเนี่ยนะมันจะขัดกันหมดเลยวงล้อแห่งธรรมจักรเนี่ยขัดเลยมันเพราะธรรมะมันก็เหมือนกับพวกระบบเฟืองอ่ะถ้าเกินเข้าไปอย่างหนึ่งเฟืองก็ทํางานไม่ได้ถ้าหลุดไปอย่างหนึ่งระบบเฟืองก็ทํางานไม่ได้ธรรมะจะเป็นลักษณะเดียวกันวันนั้เขาเรียกว่าหมุนธรรมจักรเนี่ยต้องสัมพันธ์กันเพราะธรรมจักรจักรก็คือ แต่เป็นสมัยใหม่ก็เลือกพวกเฟืองอ่ะหรือพวกล้อนั่นเองคือผู้ที่ไม่ได้ศึกษานะหรือว่าพวกที่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยจะสําคัญว่าตาเป็นอัตตาของเราสําคัญว่าตาเนี่ยเป็นอัตตาเลยนะเถียงคอขาดเลยนะบอกมันไม่ใช่บอกมันเกิดมันเสื่อมเนี่ยอธิบายยังไงก็ไม่ฟังสักอย่างเลยนะแต่ยิ่งยิ่งบางรับที่ด้วยเนี่ยไม่ฟังสักอย่างเลยนะถ้าเป็นบอดจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะ พิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ได้เลยก็เลยค่เข้าใจว่าตาเนี่ยมันเที่ยงตาเนี่ยมันแน่นอนเป็นต้น น, นั่นนั่นของเราคือลายลักษณะของตันหาที่เข้าไปยินดีเหรนั่นคือของควนะามความตัหาเนี่ยนะเพราะว่าเราเราชอบเราเรารักของเราเนานเข้าไปยินดีเหรอไ<ด> เจริญพเข้าไปยินดีเข้าไปเพลิดเพลินอ่ะในลักษณะนี้แหละสำนวนถ้าเป็นคนแขกนะคนแขกสมัยนั้นเขาฟังเขาเข้าใจเลยอะ่ะเขาฟังแล้วเขาจึงบรรลุไงหมายความว่าเราเราติดเราพอใจในตาของเราเจรพรนนั่นเราหมายความว่ามานะนะเจริญพมานะานิดๆไปเกิดการเานะปรียบเทียบเปรียบเทียบระหว่างใช่ไหมของนามาเนี่ยยังอายุน้อยกว่ายมผู้การตาก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าลักษณะเนี้ยเนี้ย เปรียบเทียบเรื่องตาด้วยกันเนี่ยเป็นมานะถ้าบอกว่าตาเนี่ยเป็นอัตตาอยู่ในนั้นเลยเนี่ยเป็นเป็นทิฏฐิว่านั่นเป็นอัตตาของเราอัตตาก็คือเป็นอัตตาของเราอนะเป็นชื่อของทิฏฐินนจนผ่านอัตตาเนี่ยตรงเลยนะะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าอ่านตามสูตรว่าหมดโอ้โหจบอย่างกันทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่ สำคัญผิดนะหรือปฏิปทาที่ทําให้เกิดส ก, กายะเนี่ยความสําคัญผิดเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภ า, าและธรรมารมณ์จนถึงจักคูวิญ ญ, ญาณโสตาวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณและก็กายะวิญญาณมโนวิญญาณสรุปแล้วธรรมะทั้ง36หมวดหรือ6หมวด36ข้อทั้งหมดเหล่านี้ไปสําคัญโดยนั่นของเราด้วยอํานาจของตันหาถ้าของเราปุ๊บเนี่ย ของเราในพระบาลีนะในพระพุทธพจน์อ่านในพระไตรปิฎกที่ไหนนะว่านั่นของเราจำไม่เลยโอ้เนี่ยโลภะหรือตัณหาเราเป็นนั่นหรือนั่นเราเนี่ยอันนี้ใส่ไปเลยมานะงงๆเลยถ้านั่นเป็นอัตตาของเราอ น, นาัตถิฐิต้องเอาสามตัวนี้มาอธิบายถ้าบอกนั่นของเราเอาทิฏฐิมาที่บายนี้บางทีก็เป็นอื่นไปเลยก็มีแต่ว่ามันมีเข้าคงที่จะให้อธิบายเป็นทิฏฐิอยู่เหมือนกันแต่ว่า นั้นในชั้นของรายละเอียดต่อไปอีกเพราะว่าตันหาก็เกิดร่วมกับทิถีด้วยนั่นแหละทิถีก็เกิดร่วมกับตันหาอีกนั่นแหละเกตก็คือว่าตรงนี้นี่เป็นโลภะหมดเลยเป็นตะกูลของโลภะโล<ม>โลภะ <โล S 2> มูลจิตทั้งหมดเลยโลภะมูลจิตหมดเลยแสดงว่าติดข้องเข้าไปแล้วจเจรนญพรเกิดความติดข้องแล้วเจริญพรแล้วจะต้องตามมาด้วยกันยึดเป็นอุปาทานต่อไปเจริญพรแล้วก็เจตนาเหล่านั้นน่ะจึงเป็นกรรมไง ก็ถ้ายืนดีอย่างนี้เนี่ยโอ้ยพบใหม่ไม่ต้องกลัวเลยอนะอธิษฐานไม่เกิดยังไงก็เกิดแน่นอนหรืออธิษฐานเกิดก็เกิดเพราะว่าเชือ้อคือความเพลิดเพลินอันนี้โลภะอันนี้แหละเป็นสมุทัยสัตว์พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่มีตัณหาไม่เกิดหรอกนั่นแหละไอ้ตัวตัณหาแหละตัวปุรนณนำเกิดบางคนบอกโอ้ยไม่อยากเกิดเลยอะอยากให้มันตายแล้วก็จบกันสทัทีจบได้กับทุกคนคิดอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์กันหมด เพราะคนที่จบเลยก็คือพระอรหันต์พราะพระอรหันต์นี่ไม่ต้องไปถามหาว่าวิญญาณของท่านไปอยู่ที่ไหนพอดับจิตดวงสุดท้ายจุติจิตดับปับ๊บไม่ต้องไปถามหาเลยว่าวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนเพราะว่าท่านหมดเชื้อแล้วอ่ะไม่ต้องไปถามหาวิบากและกรรมอาชีพของท่านเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นของปุถุชนทั่วไปนะอย่างอย่างไรก็ต้องปฏิสนธิแน่กำหนดภพสามอย่างใดอย่างหนึ่งกําเนิดสี่อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดในการมาพบการมาพบมนุษย์เทวดาไอ้มนุษย์เทวดา6ชั้นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเอามาเกิดแบบนี้เนี่ยนะเสร็จแล้วกําเนิดสี่ในอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บางคนเกิดในคันมนุษย์บางประเภทเกิดในไข่มนุษย์บางประเภทเกิดในของเท่าไข่มนุษย์บางประเภทเกิดเป็นโอปาติกะเช่นมนุษย์ต้นกลับยังไงใครียว่าไม่พน้นกําเนิด4ี่พ้นคติห้าไหม ปฏิหัยอย่างใดก็นรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดาอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณทิติก็ไม่เกินเจดแล้วก็สตาวาสอีกไม่เกิน9ก็อยู่วนอยู่แค่นี้แหละสลับกันไปสลับกันมานะเหมือนอยู่ในเชียงใหม่เนี่ยขับรถวนไปวนมาวนไปวนม า, นปนมาเปลี่ยนแต่วันที่เท่านั้นเองเล่าให้ฟังว่าอย่างอย่างสมัยพระเจ้าโศกเนี่ยนะมีนายพรานเนี่ยไปได้ภรรยาเป็นนางกินรี น, นะ เป็นนานกินเดรีเสร็จแล้วก็คลอดมาเป็นไข่ก็ฟักมาจากไข่มาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วตอนนั้นตอนหลังมาพระรูปนะสององค์เนี่ยก็กมาบวชเป็นพระแล้วก็ไปพระอาหารหันด้วยแต่ว่าอยู่ในยุคสมัยพระเจ้าอาโศกเมื่อพศประมาณเสาสองรเนาะประมาณพศ .200 เนี่ยก็มีมีในคัมภีร์ท่านก็กล่าวเอาไว้อยู่เหมือนกัน